ทุกท่านที่บวชมาพาสแสวงหาอัถาธรรมที่เป็นความร่มเยินต่อจิตใจของตนทั้งใกลทั้งไกลทั่วประเทศหรือทุกภาครวมแล้วทั่วประเทศ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 ด้วยธรรมด้วยธรรมท่า น, นจงพากันตั้งอกตั้งใจสมอยากศึกษาด้วยความจริงใจทุกแง่ทุกมุมตาก็ให้แหลมคมเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใด ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้สติปัญญาได้เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆด้วยอายธตนะนั้นๆเพราะความตั้งใจอยู่แล้วย่อมจะสะดุดจิตใจเป็นเครื่องปลูกสติปัญญา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 ก็เพื่อส่อสแสวงหาอานาจหาอาหารเป็นเครื่องพออพูนตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นผู้ที่รับเคราะห์รับกรรมก็คือเราที่อยู่ใต้อานาจของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจิตใจเวลาเคลื่อนไหวออกมาที่พูดแบบย่อมๆก็มากจะมีสิ่งเหล่านี้ ออกแสดงตัวก่อนหน่ารมทั้งหลายอยู่เสมอพูดให้ตรงตามความจริงก็มีแต่สิ่งเหล่านีท้ทั้งนั้นเป็นเครื่องแสดงตัวออกมาหรือผลักดันจิตใจให้แสดงออกมาเมื่อแสดงออกไปแล้วเพื่อความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็เพื่อธรรมชาตินี้ทั้งนั้น ไม่มีคําว่าเพื่ออัดเพื่อทาเพราะธรรมชาตินี้กับธรรมเป็นค่าสึกกันแบบศูย์ต่อศูนย์ร้อยทั้งร้อยเดินสวนทางกันระหว่างความจริงกับความปลอมระหว่างผู้ก่อโทษก่อภัยกับระหว่างผู้ก่อบุญก่อคุณได้จกทํา ม, มีน้ำหนักเช่นเดียวกัน แต่เวลานี้ธรรมชาติที่ต่ำทามนี้มีน้ำหนักมากภายในจิตใจของสัตว์โลกและพวกเราจึงไม่สามารถที่จะรู้แง่แห่งความกระดิกพลิกแพ ง, พแพงหรืออุบายหลอกลวงต่างๆของมันได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณา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 โทษของสิ่งเหล่านี้หรือธรรมชาติเหล่านี้คืออะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภ า, ายในจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี่นแหละเหตุที่มีธรรมขึ้นมาก็เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นโมฆะในการแก้ในการตอดทอนในการทําลายสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเพราะเป็นโรงงานของมันทั้งนั้น ไม่ว่าจากความเคลื่อนไหวไปมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์ทางต า, งตางหูจมูกริมคายใหญ่เกี่ยวกับกลิ่นภายนอกนเช่นลูกเฉียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสอะการแสวงหาการกว้านเข้ามาแห่งอาหารอันโอชะของมันแต่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภายตดตัวของเราผู้รับเคราะหรับอรรมได้แจอใจยอยงนี้ ที่อยู่ใต้ อ, อำนาจของมันทำของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงได้ประกาศกรางวานให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบถึงพิษถึงภยัยถึงยักษ์ใหญ่ที่กลืนสัตว์ทั้งโลกให้อยู่ใต้อำนาจของตนนับแต่วันได้ตรัสรู้แล้วประกาศาศาสนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบ ผู้ที่มีความเบาบางก็ทราบได้อย่างรวดเร็วตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านอุธีรองลงมาก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆจนกระทั่งวรระสุดท้ายก็เป็นกัญญาณชนเป็นพุทธมามะกะในขั้นกัญญาณชนนีเป็นผลความดีที่เกิดขึ้นจากาศาสนธรรมของผู้นับถือและปฏิบัติตามท่าน เราทั้งหลายเป็นภิกษุบริษัทเป็นลูกเต้าของพระพุทธเจ้าที่ใกล้คิดสนิทติดพันกับพระองค์มากที่สุดคือเพศก็เป็นเพศอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดถึงเจตนาเพื่อความหรรลุพ้นทุกข์ท่านผู้ใดบวชเพื่อความหรรลุพ้นทุกข์เจตนานั้นก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านอกจากจะบวชเพื่อแก้ลาคาญเพื่อ โลกเพื่อสงสารเพื่อปรกเพนีโดยไม่คิดหาเหตุหาผลอัดธรรมตามความมุ่งหมายของพระองค์เท่านั้นจึงจะปีกที่แยกแยะจากเจตนาของพระพุทธเจ้าไปการมาศึกษาจึงต้องได้ใช้ความพินิษพิจารณาอย่างมาก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 เป็นไปด้วยความตั้งความตั้งอกตั้งใจเป็นไปด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นไปด้วยความอดความทนความอุตสาหพยายามผิดกับโลกทั่วๆไปอยู่มากหากเราจะนำนิสัยของโลกมาใชา้แบบสุกเอาเผากินแล้วก็เป็นโลกไปเสียในขณะเดียวกันก็คือกิเลสมันผลักออกจากงานอัดรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วเอางานแห่งยาพิษของมัน ใส่เขาแทนที่เข้าไปเรียกว่าสวมรอยแห่งการบาเพ็ญธรรมของพวกเราเวลานี้อยู่ในช่วงอยู่ในช่องนี้ทั้งนั้นคืออยู่ในช่องที่ว่าสวมรอยสวมรอยในขณะที่สติปัญญาของเรายังไม่ทันการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจึงไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะไปทํางานแทนตัวของเราแล้วครับ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 ว่านี้คือสิ่งเป็นพิษว่านี้คือเป็นความเป็นธรรมจะพอแยกแยะ ก, กันได้ถ้ามีภูมิกิจปุนธรรมในขั้นใดที่พอจะทราบแง่งอนของกิเลส ข, ของสิ่งดอกลวงขั้นนั้นนั้นได้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแต่ในขั้นเริ่มแรกนี้เป็นแบบที่ล้มลุกคกรานมากและเป็นแบบที่ล้มแล้วลุกแทบไม่ขึ้นหรือลุกไม่ขึ้น ล่มจมไปเลยก็มีอยู่มากคือท่อถอยความเพียรไปเสียเพราะอำนาจฝ่ายต่ำมันมีกำลังมากกว่ามันทำให้สารคุณทั้งหลายกลายเป็นสิ่งเลวร้ายไปแล้วสิ่งเลวร้ายทั้งหลายกลายมาเป็นสารคุณและกลายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสมบัติอันล้นค่าน่าชมเชยน่ายินดีน่าปิบทันเลกลายเป็นเราไปเสียทั้งหมด เราทั้งคนเลยกลายเป็นเรื่องตัวคิดตัวไผ่เท้าลุ่มตนเองไปโดยเจ้าตัวก็ไม่ทราบได้เพราะสติปัญญาไม่มีพอจะทราบนี่หลักใหญ่ของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้อง ใ, ใช้ความพินิดพิจารณาเอาอย่างมากเป็นภาระที่วัดหนักก็หนักเพราะกิเลสมันหนักความเพียรจะไปผ่อนเบาไม่ได้ เมื่อค่าสึกมันหนักสิ่งต่อสู้กิริยาแห่งการต่อสู้วิธีการต่อสู้ต้องหนักไป ต, ตามๆกันความหนักในทางความเพียร น, นี้ก็ไม่พ้นที่จะสวมรอยที่ฝ่ายต่ำจะสวมรอยจนได้เมื่อความหนักในความดีมักจะเกิดความอึดหนาละอาใจเห็นว่าความทุกข์เห็นว่าเป็นความทุกข์ความลาบากไปเสียโดยไม่มีแง่ใดคิดพอเอาตัวออก เพื่อความเพียรให้หนักแน่นขึ้นไปแล้วก็ถอยหลังกรูดกรูดไปความถอยหลังไปนี่แหละคืออํานาจของฝ่ายต่ํามันดึงดูดออกไปจากฝ่ายดีหรือจากฝ่ายสูงได้แก่ธรรมเราก็ทราบไม่ได้เพราะยังไม่มีกําลังสติปัญญาพอจะทราบได้จึงต้องล้มลุกคุกครานในบรรดาความเพียรประโยคต่างๆ ไม่ค่อยได้ไดผลมักจะร้ายผลไปเสียโดยมากด้วยเหตุนี้ผู้บำเพ็ญภาวนาจึงมกัมกไม่ค่อยก้าวเดินคำว่าสมาธิสมาธิคำว่าปัญญาปัญญากูวาจารย์เทศและแทบล้มแทบตายคุณสมบัติเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏในจิตใจของเราบ้างเลยเพราะเขาไม่ถึงอำนาจของกิเลสมากกว่ามันผลักดันเอาไว้ ให้จิตก้าวเข้าสู่สมาธิคือความสมบงบเย็นใจบ้างไม่ได้ให้ ส, หสติปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถูกบางจากเจ้ามาหาอำนาจนี่อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกจยิงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากใช้ความเพียรอย่างมากจิงจะรู้ร่องรู้รอยจิตปกติของจิตฟุตบอลที่กลิ่งไปคลิ่งมานั้นมันยังช้าไป อันนี้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าอะไรไม่มีเกินจิตใจนี้ไปได้เพราะสิ่งที่พลังชันให้กลิ้งให้พลิกตัวให้กระดิกพลิกแพงไปในแง่ต่างๆนั้นมันมีกําลังมากและรวดเร็วมากจึงทําให้จิตหมุนติ้วติ้วไปตามอํานาจของมันอย่างเร็วมากถึงกับสติปัญญาเราก้าวไม่ออกหรือก้าวไม่ทัน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 นี่สาคัญขอให้ทุกท่านจาเอาไว้นี่คือความจริงระหว่างสิ่งจอมปลอมที่กับทมที่กำลังมีอมนาจเหนือกันเป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดก็ตามจะต้องเป็นเหมือนกันหมดอย่างนี้เองแต่ยังไงก็ไม่พ้นความผ้าเพียน ซึ่งเกิดขึ้นจากความสนใจใคร่ธรรมเลือกความมุ่งมั่นต่ออจต่อธรรมของเราไปได้นักวันนี้เราแพ้วันนี้การต่อสู้ของเราไม่ถอยแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้เพราะกำลังไม่พอแต่การแพ้ดีเรดนี้ไม่ได้เหมือนนักมวยเขาแพ้กันบนเวทีนักมวยแพ้บนเวทีนั้นแพ้คะแนน ก, ก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงกันไป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 ความทุกข์เพราะการถูกบีบบังคับของกิเลสประเภทหนึ่งประการหนึ่งความทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสประการเราแยกความทุกข์ทั้งสองนี้ออกเทียบเคียงกันความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนั้นเป็นอนันตการหากำหนดกฎเกณฑ์หาเวลาเวลาหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายว่าจะลดหย่อนผ่อนผันหรือหมดสิ้นไปได้ ในเรื่องความทุกข์เหล่านี้แต่ความทุกในการต่อสู้กับกิเลสนั้นแม้จะหนักขนาดไหนก็ตามไม่ตายหนึ่งและมีทางที่จะผ่อนคลายกันไปได้ตามวารรคแห่งการต่อสู้ที่มีกําลังฟัดเหวี่ยงกันไปและมีเวล่ำเวลาที่จะปลดปล่อยความทุกขในการต่อสู้นี้ต่อสู้นี้ลงได้ เมื่อได้จิตได้ชัยชนะเพราะความไม่ท้อถอยต่อค่าสิทธิ์แล้วต้องเป็นอย่างนั้นจนได้ เ, เมื่อเราเที่ยบความทุกข์ทั้งสองอย่างนี้แล้วความทุกข์ในการต่อสู้กับกิเดชเป็นสิ่งที่เราควรจะกล้าหาญชานัยเพื่อได้ปลดเปรื่องหรือปลดปล่อยความทุกข์เหล่านี้ออกเพราะการชนะสิงต่ำทรามหรือสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ทั้งหลายด้วยธรรมมีสติ ทำปัญญาธรทำวิทยาธรรมเป็นสําคัญส่วนทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสบีบบังคับไม่ว่าเราไม่ว่าสัตว์โลกตัวตัวไปนั้นไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์เป็นอาการิีโกตลอดไปเลยหรือเป็นอนันตาการถ้ามันมีทเข้าแทรกมันมีทเข้ากีดเข้าขวางการเวลาที่จะย่นเข้ามานั้นไม่มีมีแต่เป็นเช่นนี้ตลอดไป นับตั้งแต่เป็นตลอดมาแล้วยังจะตลอดไปหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ต้องทุกข์อยู่เช่นนี้เช่นนี้ตลอดไปแต่ความทุกข์เพราะความภาคเพียร น, นี้วันนี้เป็นทุกข์มากวันหลังสู้ไม่ถอยย่อมจะมีทุกข์น้อยเพราะกําลังของค่าศึกลดน้อยลงไปเพราะอุบายวิธีการ ต่อสู้ของเราเหนือกว่าสุดท้ายก็ลดน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งความทุกในการต่อต่อสู้นี้ไม่มีเพราะค่าศึกหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาให้ต่อสู้อีกนั่นแหละท่านที่นี่ท่านว่าปรมมาสุขคือเกิดขึ้นแทนที่มหันตทุกในการประกอบความภาพเพียนหรือในการต่อสู้กับค่าสึกทั้งหลายกลายเป็นมหัน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 ไม่มีเพราะที่พอจะผ่อนคลายได้เลยมีแต่บีบนั่งอยู่ก็บีบนอนอยู่ก็บีบยืนอยู่ก็บีบอิริยาบทใดๆก็บีบพบชาติใดๆก็บีบบีบอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าการท่องเที่ยวในมัฏฐสงสารนี้คือการถูกบีบอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับนักโทษในเรือนจํานั่นเองย้ายไปที่ไหนก็าตามไปเรือนจําใดก็าตามก็ล้วนแล้วแต่ความเป็นนักโทษและต้อง ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดไปในที่นั้นๆถ้าไม่พ้นจากโทษเสียเมื่อไหร่แล้วจะย้ายไปกีดสถ า, านที่คุมขังก็ตามไม่มีอะไรผิดแปลกจากความเป็นนักโทษและความถูกกดขีดบ่บังคับจากนายเห น, อเนือหัวอยู่ตลอดไปนการย้ายพบย้ายชาติไปพบน้อยพบใหญ่พบใดใดก็ตามก็เป็นเหมือนกันกันกบนักโทษ ได้ที่จากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นนั่นแหละนอกจากให้หลุดพ้นไปเสียจากที่คุมขังนี้เท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะเป็นอิสระภาณในจิตใจความดิจใจเป็นอิสระเราไม่เคยได้พบได้เห็นแต่จิตที่ถูกบีบถูกบังคับหาอิสระไม่ได้นี้ประจักษ์อยู่กับมัวใจของเราทุกทุ ก, ท, กทันจึงพยายาม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 เต็มที่ไม่มีวาจาของผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าสวัรคธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกเนี่ยทุกหมดนี้ส่วนการเสี่ยมสอนของกิเลสนั้นมันก็กล่าวไว้ชอบตามทางจอมปลอมของมันเราอย่าคอยวันคอยเว ล, เวลาว่ากิเลสจะไม่ความมาให้ความดีความชอบแก่พวกเรา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 ผลจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นขึ้นมาตามที่เคยเป็นมาแล้วแม้อนาคตการข้างหน้าจะยืดยาวขนาดไหนเหตุกับผลที่มันบักรับให้เป็นไปก็ต้องเป็นทํานองเดียวกันเนี่ยตรงกันข้ามกับาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละนี่เราได้เป็นสิทธะโคตได้ปรากฏตัวเป็นเพศนะักบวชและนะักปฏิบัติแล้วจงเอาให้ถึงใจ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 ถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรเข้าไปแล้วมันจะเป็นความทูกความผระเถืนถึงใจทั้งนั้นถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่กรองรักษาตัวต่างกันอย่างนี้แล้วเราจะสงสัยที่ไหนอะไรกับอะไรว่าจะเป็นที่ไว้ อ, อกไว้ใจเป็นที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายได้มันไม่มีมีแต่ฟืนแต่ไฟนอกจากธรรมโมปดีโปที่เท่านั้น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 นั่งสมาธิรักษาใจก็รักษาจิ่งกิงอย่าปล่อยใจให้กิเลสเอาไปขยำ ย, ำย่ําหยีด้วยความไม่มีสติจะเ ป, เป็นเดินเป็นเดินเป็นนั่งเป็นนอนด้วยความเพียรท่าใดขอให้มีสติเป็นเครื่องรักษาปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองพลาดฟันกับสิ่งที่เป็นข่าศึกซึ่งจะมาทําลายจิตใจของเราอยู่โดยสม่งเสมอแล้วชื่อว่าเป็นผู้ก้าวเดินตามทางของจาตสดาที่เสด็จผ่านไปแล้วสดสดร้อนรอน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 ไว้ภายในจิตใจของตนเถิดอย่าเห็นจิมใดเป็นของยิเยสียยิ่งโสเลิ่อเลอยิ่งกว่าธรรมนี่แลเป็นธรรมชาติขี่ให้ความไว้วางใจตายใจได้และจะเป็นธรรมที่ให้อิสระต่อจิตใจของเราโดยลำดับลําดาจนกระทั่งถึงอิสระเอ็มภูมิแห่งจิตแห่งธรรมซึ่งกลมคลืนเป็นนเดียวกันจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยขอให้ทุกท่านได้ทําความเข้าใจกับตนเอง เรื่องของกิเลสได้เราเคยทําความเข้าใจกับมันก็ได้ทําความเข้าใจแล้วมันดูถทาอำนาจทั้งเราสักแม้ที่สุดสักหนึ่งไหมไม่เคยมีเราจะไปทําความเข้าใจกับมันกับกิเลสนี้ทําความเข้าใจเท่าไหร่ก็ยิ่งขาดทุนไปโดยลําดับตลำดาแม้แต่ไม่ทําความเข้าใจของมันก็หลงอยู่แล้วไปทําความเข้าใจกับมันเรื่องอันใดที่จะได้รับผลรับปยชนขึ้นมานอกจากให้มันสับเอาสับเอาเท่านั้น แล้วไม่เข็ดไม่หลาบมั้งเหรอเรื่องถูกสิ่งเหล่านี้สับเปาสับเปล่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์เพราะความโง่เขลาบอปัญญาเป็นมันเป็นอะไรพาให้เป็นถ้ไมจะเรื่องของกิเลสเป็นผู้พาให้เป็นและเป็นเรื่องของกิเลสสับยำเราเท่านั้นจะเป็นอะไรไปสิ่งทั้งหลายไม่เคยมีมีธรรมชาติที่อยู่ในกิจนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตและโหดฐานที่สุด มโหฬารมากคิดเร็วกว้างขวางไม่มีขอบเขตจักวาลก็คือออกธรรมชาติที่ฝังอยู่ใน ใ, นใจนี้แผ่อําน า, วาจวาดจนาของมันไปทั่วแดนโลกกระถางดูแต่อํานาจของมันทั้งนั้นมันครอบไว้หมดในสามแดนโลกกระถางนี้จึงเป็นเหมือนคุกตารางหรือดวนจำศาสตร์โลกทั้งหลายจึงเป็นเหมือนนักโทษทั้งนั้นไม่มีใครจะดียิ่งกว่ากันไปขึ้นชื่อว่านักโทษแล้วเป็นเช่นนั้น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 สิ่งที่เคลือบแสงเหมือนกับยาเคลือบน้ำตาลถ้าไม่แตะน้ำตาลที่เคลือบออกแล้วเราจะไม่เห็นพิษของมันซึ่งอยู่ภายในนั้นเพราะท่านจริงต้องแตะออกด้วยความภาคเพียรอยากลดลาบท้อถอยความอ่อนแอก็เคยมีอยู่แล้วเป็นประโยชน์อะไร ให้เทียบเทียงกันเสมอนักปฏิบัติถ้าไม่บวกลบคุณหารแล้วจะหาทางออกไม่ได้นะต้องมีบวกลบคุณหารจึงจะมีทางออกเอาเหตุเอาผลเข้าเป็นเครื่องดำเนินอย่าเอาอานาจของกิเลสมาดาเนินเพราะมันพาดาเนินอยู่แล้วนอกจากจะปีกแยกจากทางของมันเข้าสู่แดนแห่งธรรมหรือทางธรรมเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่พอที่จะปิกไปแวะไปได้ ให้พ้นภัยจากเด็กนอกจากดำเนินไปตามสมคาต ธ, ธรรมที่จับได้ชอบนี้ด้วยสุปฏิปูชุปฏิญาญายัญมิกปิปฏิปันโนนี้เท่านั้นจะได้ปรากฏนามขึ้นว่าเอสาะภะโกโตสาวะกะสังโฆนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติอย่างนั้นแหละแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาดังท่านแสดงไว้ว่าฤิดังจัดตายธิปุริสัยูกาเนตถุริสัปปุะลาคู่แห่ง อริยบุคคลสี่ทั้หมดบรูดสี่นั่นคืออริยบุคคลสี่แยกออกไปเป็นอริยบุคคลแปดได้แก่พระโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลสกิทาคามากักสกิทาคามผลอนาคามากักอนาคาผลอรหัตตามักอรหัตตผลเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสุปฏิปนุอุทุญาญาสามิกิปฏิปนุนี้ทั้งนั้นไม่เป็นมาจากไหนจากไหน แน้วคู่แห่งอริยบุคคลสี่เป็นแปดอริยบุคคลนี้เราจะไปหมายบุคคลนั้นคนนี้ให้นอกเหนือไปจากใจที่แสดงตัวเป็นคู่เป็นคู่ขึ้นมาจากการปฏิบัติการรู้การเห็นของผู้บำเพ็ญ น, นี้เท่านั้นนี่เป็นจุดำํำขาญเป็นที่รวมแห่งอริยบุคคลสี่คู่แปดนำพก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 มุปาณีโสดาปฏิมาค ก, ก็คือจิตดวงนี้จะเป็นผู้ดําเนินเป็นผู้บรรลุนโสดาปฏิผลผลที่พึงได้รับเป็นที่พอใจจากขั้นนี้ก็จิตเป็นซึ่งเป็นผู้ดําเนินเป็นผู้ได้รับแน่สกิทาอนาคาอรหัตตมัคอะรหตผลก็คือจิตดวงนี้เป็นผู้ก้าวเดิน ม, มัคามาคมาค คือทางนำเนินดำเนินไปตามสุปฏิปันโนนี้จนปรากฏผลขึ้นมาคำว่าแปดแปดหมายถึงอริยธรรมนี่เองไม่ใช่บุคลบคลบุรุษหญิงชายที่ไหนจะมีอำนาจวาสนาได้ทาอริยธรรมสี่คู่แปดประเภทนี้ขึ้นมาชม นอกจากผู้ปฏิบัติผู้ดำเนินนี่เท่านั้นจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นผู้แสดงอาการทั้งสี่คู่ทั้งแปดอาการขึ้นมาภายในตัวยังคิดแย่ไปออกไปนอกจากตัวผิดหลักปฏิบัติอันแท้จริงอยู่ที่นี่ผู้ก้าวเดินผู้ดำเนินคือด้วยสุปฏิอุชุญายะสามีกิคือใจดวงนี้ นำกายวาจาดำเนินก็คือใจดวงนี้ใจดำเนินโดยลำพังตนเองก็ก็คือตัวเองนั่นเองเผลปรากฏขึ้นมาจะเป็นสี่คู่เป็นแปดอาการนั่นก็าตามหรือเป็นแปดอริยะขั้นก็าตามเป็นเรื่องของผู้นี้เป็นผู้ทำเป็นผู้ได้ผลเป็นผู้เสวยผลจนถึงขั้นสูงสุดวิมุติพรพานคือจิตดวงนี้เป็นผู้เป็นแต่ผู้เดียว ไม่ใช่คนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นแล้วเป็นสี่คู่แล้วนนนคนนั่นก็เป็นคนนั่นก็เป็นแล้วเป็นแปดบุคคลแปดจำพวกไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเป็นความเข้าใจผิดนอกนอ ก, นอกผิดจากหลักศาสนธรรมลึกลักสวาธาธรร ม, รร ท, รมที่ทรงแสดงไว้ว่าสุปฏิปันุกใครเป็นผู้ดําเนินตามสุปฏิปนุกแรกเริ่มก็คือใจอันดับหนึ่งอันดับสองกายวาจาขึ้นไปถึงสองถึงสามผู้นี้เป็นผู้เดิน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 คงเส้นคงวาเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยความเป็นอิสระในของเราเองไม่มีใครที่จะมาแบ่งได้แบ่งเสียตำหนิปีเตียนให้หรือเป็นการเหยียบย่ำทำลายของเราให้เสื่อมเสียไปและยกย่องและเก้าให้มีมากมูลผลผลขึ้นไปยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่พอตัวแล้วภายในจิตใจของเราเท่านั้นนี่นทาที่กล่าวนี้ทั้งหมดใครจะเป็นผู้ดาเนินใครจะเป็นคู่ อริยบุคคลสี่และ อ, อริยะบุคคลแปดจำพวกถ้าไม่ใช่กายวาจาใจของเรารวมแล้วคือใจเป็นหัวหน้าแห่งการดำเนินในสุปฏิปโนอุทูยานะสามกี่ปฏิปโนผลจะเป็นที่พึงใจว่าอาหุนโยทักินโยอัญชริกรณิโยอนุตรังคุญยเขตตังโลกาสัมเมื่อตอนของตนได้เป็นเนื้ออาบุญของตอนโดยสมุนแล้วทาไมจะไม่เป็นเนื้ออาบุญของโลกได้ล่า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 ในการต่อไปจะเป็นผู้ได้รับผลอันเป็นที่พึงพอใจตามหลักศาสนาธรรมที่ท่านสอนไว้คงเส้นคงวาไม่มีคำว่าด่างพร้อยไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนผลลงมาอย่างนี้ไม่มีจึงเรียกว่ามัชชิมาท่ามกลางต่อการปฏิบัติของผู้ดำเนินอยู่โดยสม่าเสมอ และท่ามกลางแห่งการจะรู้จะเห็นคือเหมาะในการที่จะให้รู้ให้เห็นทำตลอดไปและเหมาะในการที่จะปราบปรามพิเรศทุกประเภทเสมอไปไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนธรรมนี่เลยธรรมนี้จึงเป็นคู่ปราบพิเรศได้เป็นอย่างดีเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเลยเพราะฉะนั้นธรรมกับโลกปิงแยกกันว่าโลกกับธรรม ถ้าเราจะพูดให้เต็มตามสมมตินิยมหรือเต็มตามความเป็นจริงแล้วก็คือว่าโลกได้แก่แรงแห่งกิเลสอยู่คือหัวใจสัตว์โลกทมเป็นสิ่งที่จะกมจัดชาติล้างหรือสังหารแรงแห่งกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรลัยลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกให้อยู่ผาสุขสบายจนกลายเป็นอิสระได้นี่ถ้าจะแยก เป็นอย่างนั้นแม้กิเลส จ, จะไมะ่สิ้นสุดกุดด้วนไปโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจก็ตามใจดวงใดที่มีอัตมีธรรมใจดวงใดที่รักใไข้ไฟธรรมใจดวงนั้นยังมีธรรมแม้จะมีกิเลสอยู่ภายใจธรรมก็ยังมีอยู่ภายใจักรนั้นถึงจะถูกบีบบังคับขนาดไหนธรรมซึ่งเป็นเครื่องกางําบังหรือช่วยพยุงหรือช่วย ต่อสู้ต้านทานก็ยังมีอยู่ภาณจิตใจก็คนนั้นคนเรายังไม่จนกรอกง่ายเมื่อมีทมอยู่ภาณใใจแล้วไม่ร้อนจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นเหมือนคนหาทมภ า, า, ายในใจไม่ได้แต่สำคัญที่การปฏิบัติทุกอาการของผู้ปฏิบัตินี่มันน่าสลดสังเวช เจ้าของได้ดําเนินตัวเองไปเถิดให้ได้ทราบเรื่องราวของกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลํำดับลําดาพร้อมทางการละได้ปล่อยได้วางได้ค่าได้ให้จิบหายวัยปวงไปโดยลํำดับลาดาแล้วจะจะทราบเรื่องความโง่เขาวบวปัญญาของเราโดยลําดับพร้อมกับความฉลาดที่ก้าวเดินไปนั่นเองความฉลาดก้าวเดินไปมากเพียงไรจะเห็นความโ ง, ขง่ของเราของเราย้อนหลังย้อนหลังไปเรื่อยๆจนกระทั่ง แล้วได้ปราบสิ่งที่พาสัต์ให้โง่นั้นด้วยความฉลาดของมันนั้นให้หมดสิ้นซากกระจักใจโดยสิ้นเฉงแล้วเราจะได้เห็นชัดเจนว่าเรื่องความฉลาดความเฉียบแหลมของธรรมกับความเฉียบแหลมของกิเลสความเฉียบแหลมของฝ่ายต่านั้นต่างกันอย่างไรบ้างท่านจึงเรียกว่าโลกเยาะธรรมโลกุตลธร ร, รมนัม้นต่างกันอย่างนั้นโลกุตธรรมหมายถึงธรรมเหนือโลก โลกยิยธรรมนี้ธรรมยังอยู่ในโลกยังอยู่ในอำนาจของกิเลสธรรมก็จริงแต่อยู่นั่งอยู่ในอำนาจของกิเลสเมื่อจิตได้พ้นไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดทวงเป็นอำนาจบังคับจิตใจแล้วจะมองไปไหนรู้ไปหมดปิดบังไม่อยู่ทีนี้เราจะย้อนหลังเห็นความโง่เขลาบรรัญญาของเรามาเป็นลำดับลาดับ ตั้งแต่ขั้นหยาบหยาบขั้นล้มลุกคุกครานจนกระทั่งถึงขั้นกลางและขั้นละเอียดจนกระทั่งละเอียดสุดจังมาเห็นโทษของตัวเองได้เพราะทํานี่เหนือนั่นอีกละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกจึงเป็นความที่วัาฉลาดและละเอียดยิ่งกว่าพี่กิเนตทํำให้เราโง่นั่นเป็นไหนๆยิงต้องเห็นโทษกันโดยลําดับตําดาต่างกันอย่างนี้ระหว่างโลกกับธรรม วิเลศกับธรรมต่างกันอย่างนี้ภายในหัวใจเราดวงเดียวนั่นแหละดวงพากันตั้งอกตั้งใจเราพฤ่อปฏิบัติให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตกิตใจอยู่กับความภาคเพียรไม่ว่าจะอยู่อิริยาบถใดสติซึ่งเป็นพื้นฐานอย่าได้ลดละปัญญาถึงเวลาที่จะคิดจะอ่าน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 ไม่ได้มีหน้าที่การงานอะไรจะเพะในวัดนีปลอยให้พระเน้นได้ประกอบความภาคความเพลี่ยนทั้งตเนเตเ็มเม็ดเต็มมือถ้าเราเห็นสาระอันคุณอันสำคัญจากความเพียรการเดินอยู่กมนั่งสมาธิภาวนาเหล่าลนี้มากกว่ากิจอื่นใดงานใดเพราะงานนี้เป็นงานของพระโดยตรงเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจโดยแท้สําหรับผู้จะต้องการถอดถอนตอนให้หลุดพ้นจากอํานาจแห่งการกดทวงทั้งหลาย ไปโดยลำดับจึงถือความเพียร น, นี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเห็นงานใดว่าจะเป็นงานสาราคุณยิ่งกว่างานการถอดถอนยี่เหลืงานเหล่านั้นไม่จาเป็นจริงเราก็ไม่ให้ทำแม้ทาก็ให้มีความระมัดระวังมีสติมีการมีเวลาไม่ใช่ทำแบบพร่มๆเพื่อเพื่อแบบลืมเนื้อลืมตัวแบบ ถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นการซะจริงๆนั่นแหละหมายถึงวิริเวศก้านคอไปหักเอาแล้วนั่นคอหักไปแล้ววิริเวศก้านคอไปเหยียบย่ําทําลายหมดแล้วไม่รู้ตัวเลยระหว่างเดินบินธบาดก็ให้ดูจิตยาดูที่ไหนตัวพิษอยู่ที่จิตตัวเผออยู่ที่จิต พามาความเพียนความเพียรนั้นจะมีแต่ชื่อถ้าสติไม่มีไม่ใช่ความเพียรไปไหนให้มีสติจึงชื่อว่ามีความเพียรเดินบินธบัติก็ให้เดินเป็นการเดินจงกรมไปเป็นความเพียรประเภทหนึ่งราบบาตรก็ให้มีสติจะมองเห็นสิน่งใดให้พิจารณาเป็นอสุภะอสุภางเป็นอนิจจังทุกขงังตาโดยทางปัญญาจึงเรียกว่าความเพียรเสมอไปอืกลัวกลับออกมาก็ให้มีสติการเดินช้าเดินเร็วไม่สําคัญ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 นี่รักษาจิตอยู่แล้วไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแบบก้าวเดินค่อยต่อเท้าไปครัวสติจะเผลอนั่นนั่นแหละคือตัวเผลอเฮาทำเนิเนิบๆน้าหน้าไปสักเดียวก็เผลอทะเลถลายไปไหนปวบเวลามันเผลอเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวกิริยาของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสุขขุมกัมพีรภาพมาก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 เพราะสติปัญญามันรวดเร็วยิ่งกว่าใจมันถึงทันใจความกระเพื่อมองใจแต่และอาการอาการที่แสดงออกมาสติปัญญาตามรู้ตามเห็นตามทันทั้งนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันแน่มันทันกันยิ่งละเอียดลออกระไปยสลายสติปัญญายิ่งเขียบแหลมก็เพื่มขึ้นมาไม่ได้แม้แต่ไม่กระเพื่อมมันก็รู้อยู่ภายในจิตใจ ย, ยิ่งกระเพื่อมออกมาแล้วก็เหมือนกับว่านี่ก้าวแล้วอะเหมือนกับก้าวจะต่อย ทัานี้ก็ปัดทันทีและสวนหมัดเข้าไปทันทีนั่นเรื่องของสติปัญญาแท้เป็นอย่างนั้นถึงไม่ขึ้นอยู่กับอาการชา้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความมีสติเป็นสาคัญเดินตรงกลมกับเดินแบบต่อเท้าไปเพว่ามันจะเผอสติก้าวให้ก้าวให้เหยียบให้รู้ทันนั่นหละมันไปกี่โคกแล้วกี่ทวีบปแล้ว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 ถ้า like, Now, weekend, uh ิปัญญาเหล่านี้แหละเป็นเครื่องสังหารที่เดละขอให้นํามาใช้ในเวลานี้มันน้อยหลอไปมากแล้วนะผมและวิโตวิจารกระหมู่กับคณะครูวาจาร์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่เคารพเติมใสเป็นที่ฝากเป็นฝากตายก่อนนําวันร่วงโรวยเป็นลำดับโดยลําดับลาดาผู้ที่จะสืบทอดก็ง้งกอกันงินรุ่มรุมดอนดอนเงองะเงะแล้วจะเอาอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตน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 กระืนเท่าไรยิ่งจมอะทำนี่ตื่นเท่าไรยิ่งตื่นนะฟังสิตื่นเท่าไรยิ่งตื่นตื่นเท่าไรยิ่งฟูตื่นตื่นเท่าไรยิ่งลอยสุดท้ายก็ตื่นเท่าไรก็ยิ่งพ้นไปโดยลำดับธรดาจนหลุดพ้นหลุดอา ก, การทั้งสิ้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ขอขอจริงขอให้ทุกๆ ท, ท่านถือลงความเพียรเป็นจิตเป็นใจเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจตัวเองจริงๆริงอย่าไปเห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่าหรือสําคัญมากกว่านี้จะลืมตัวอ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 ถึงจะไม่ฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่มันก็พอทราบได้ในะความเพื่อนไหวของหมู่เพื่อนที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงมันรายถึงให้เกิดให้เกิดความหนักใจจะว่าอะไรเพราะมันเห็นเห็นที่ไลมันก็มันก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ปาถนาสิ่งที่เป็นค่าศึกของผู้นั้นและสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อธรรมของพระเจ้าและเป็นค่าศึกต่อการแนะนำสั่งสอนและการดูแลของเราอีกด้วยทําไมมันจะไม่สะดุดาย เมื่อมองไปที่ไหนที่ที่ไหนอาการใดรูปใดนามไหนมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ออกท่าออกตาล้อมรอบอยู่ทุกทิศทุกทางภายในร่างกายการแสดงออกแล้วกิจจะเป็นยังไงมันออกมาจากไหนคนตายไม่เห็นแสดงอาการอย่างนี้คนเป็นแท้ๆเป็นผู้แสดงแล้วแสดงก็ต้องแสดงออกมาจากธรรมชาติของมันให้เห็นอยู่ชัดเจนนี่ที่สาคัญมากมพากันศึกษาพยายามนะ <c oughs> นี่ก็จะตายวันไหนรู้ไหมใครก็ดีหันหน้าของอีปพังดีครองที่ทาพุทิเจ้ากระเทือนโลกกระเทือนที่ไหนถ้าไม่กระเทือนที่หัวใจดวงนี้ไม่มีทางกระเทือนตาไม่มีความหมายหูไม่มีความหมายจมูกเลี้ยงกายไม่มีความหมายที่จะให้ทำมากระเทือนได้นอกจากใจเท่านั้นทําถึงกระเทือนได้ต้องปรับใจทั้งเราให้เหมาะเฮการปรับใจก็ปรับด้วยความเพียรของเราอพยายามปรับมันควรจะเข้าสู่ สมาธิทําได้สมาธะทำคือความสงบยินใจได้ก็ให้ก็ควรให้ได้ด้วยความเพียรของเราที่ปรับอยู่เวลานี้จะควรเป็นสมาธิขั้นใดสมาธะขั้นใดก็ปรับให้มันได้เซยการประกอบความเพียรเพื่อความปรับแต่งตัวเองให้เหมาะสมกับธรรมไม่ใช่ให้เหมาะสมกักบกิเดียสพิเดียสมันเหมาะสมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องหรือปรับมันมันปรับเราอยู่แล้วเวลานี้แต่ธรรมนั่นที่เรายัปรับยังไม่ได้เรื่องได้ลาวมีแต่กิเดีสเอาเนื้อเอาหนัง เอาของดิบของดีไปกินซะหมดกินซะหมดเหลือแต่ร่างกระดูกว่าเป็นความเพียรมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีเนื้อมีหนังเป็นความเพียรมาให้เห็นให้ชมบ้างเลยสมาธาสมาธิมีแต่ชื่อใช้ปัญหาความสงบไม่ได้ร้อนนี่กว่าฟืนกว่ไฟมันเป็นสมาธิอายนั่นสมาธิไฟมีเหรือปัญญาก็เหมือนกันพยายามคิดอ่านใส่ทองแง่อยู่เฉยให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะ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 มันบีบเราหนักขนาดไหนเราบีบสิ่งที่เป็นค่าสืบตราหนักอย่างนั้นมันไม่ได้หรือมันขัดอะไรมันขวางอะไรจะทำความเพียรเพื่อจะจะเหยื่อทําทมากกว่านั้นกลัวจะเป็นการโหดร้ายทารุณต่อที่เดชไปอย่างนั้นหรือแล้วที่เดชโหดร้ายทารุณต่อเรามากขนาดไหนเราจะไม่คิดบ้างเหรือเทียบกันที่นักปฏิบัติเอาจริงให้จังใชเอาเด็ดลงไปถึงคราวเดดที่เดชมันเด็ดต่อเรามาเท่าไรเราได้รับความ เรวล่าด้วยความเร็วซามจนตั้งหาคุณค่าไม่ได้กับมันมีมาจะเท่าไหร่ร่วงแน่แต่ความเด็ดความเดี่ยวของกิเลสทีนีการเด็ดด้วยอดด้วยทำเด็ดลงไปตลอดเด็ดที่มันจะมีความเสื่อมซ้ำจะมีความเสียหายจนหาไร้สาระคุณเพราะการเด็ดในทางความภาพเพียนโดยอดโดยทำนี่ให้เห็นทีในตัวของเราคนนี้นะมันไม่เคยเห็นมีแต่กิเลสมันเด็ดเท่านั้นความเพียนเราไม่เด็ดเนี่ยเด็ดในทางชั่วดเด็ดเท่าไหร่มันยิ่งชั่วเด็ดเท่าไหร่ยิ่งเร็วยิ่งร้ายลงไปเด็ดลงลึกเข้าไปจนหาสาระไม่ได้เลยเร็ว ที่สุดนักถ้าเด e e ็ดในทางดีนี้เด็ดเท่าไรก็ยิ่งดียิ่งดีฮะกิเลสมันมีอำนาจเราต้องมีอำนาจกิเลสเด็ดแล้วต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ทันกันอื่มกิเลสมีกำลังมากขนาดไหนธรรมต้องมีกําลังเหมือนกันกิเลสหนักธรรมต้องหนักไม่หนักไม่ทันกันเด็ดทั้งทางดิบทางดีหนักทั้งดิบทางดีจะเป็นอะไรไปอันนั้นก็หนักอันนี้ก็ดีหนักอะไรก็มีแต่หนักดีเด็ดอะไรก็มีแต่เด็ดดีดีแต่ดีบวกกันข้ามีกําลังขนาดไหนกิเลสทังได้เลยอื่มกิเลสไม่ได้พัง เพราะความอ่อนแอนะทั้งเพราะความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญต่อสู้กับกิเดสฝ่ายดีต้องมีกําลังไม่มีกําลังเอาคิเดสไม่อยู่นะพระพุทธเจ้าสลบสามหุ่นเด็ดหรือไม่เด็ดนั่นดูทีแล้วสุดท่ากิเลดทังชาวกทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรวันมาเท่าไหร่ในตําหนักตําราเราอ่านมาทาไมดูที่เด็ดไหมธรรมท่านเด็ดไหมเด็ดกับกิเดสนั่นหนักไหมหนักกับกิเดสโหดไหมโหดดีกับกิเลสอืมิเลสมันโหดชั่วท่านโหดดี ยิเรศโหดแบบโลกท่านท่านเหตโหดแบบธรรมฟาดกันลงยงยิเ็ดทางลงไปแล้วเป็นพุทธทางสนางกระฉามิทำมังสนามกฉามิที่เกิดขึ้นจากพุทธนี่สังทางสนางกฉามิที่เด็ดเดี่ยวตามมาพุทธเจ้ายิเดรดทางทลายลงในจากหัวใจนี่เพราะความเด็ดความเดี่ยวความจริงความจังเทานั้นจึงไม่มีเป็นความเสียหายอะไรเพราะความเด็ดโดยอัตโดยทมนี่เลยเด็ดในทางดีไม่ได้มีอะไรเสียหายมีแต่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมเท่านั้นขอให้ทุกทุกท่านเพื่อไต่เพื่อปฏิบัติ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 พรกระเทือนจิตจิตรู้สึกแยบนะก็ต้องถอยตัวจัดทําพราะนั้นเองนี่เปขอยุติเพียงเท่านี้